สีขาวคือไม่ได้ตั้งใจจะเลืให้ไปอย่างนั้นคือมันเหมือนมันขึ้นนมาอย่างเนี้ทํำไมมันเราฟุ้งไปหรือว่ายังไงคือประเด็นบางทีเนี่ยเในขณะที่เราจิตมันละเอียดขึ้นมันมาจากสัญญาสัญญาหลายๆสัญญาที่เราร้อยเรียงไว้ริงพอจิตสงบมันเลยร้อยเรียงมาเป็นเพชร้อยเรียงมาเป็นพุท <c ười> ธลูปทั้เ <c ười> วลาเราดูลมในใจเข้าออกนี้ ถ้าจิตสงบส ง, งบส ง, งบ our, มากมเลยฉะนั้นนิมิตของคนจ em ึงไม่เหมือนกันบางคนนิมิตงามมากเป็นเหมือนเพชเลยเพชรยินจินดาเลยบางคนนิมิตโอ้โหหยาบมากบางคนนิมิตเป็นเหมือนลุงเลยนิมิตเหมือนดวงจันทร์ดวงดาวมือนแสงสว่างมันจะต่างกันนะเพื่อนนจะแปลกใจคือนี้ไม่ตกับความคิดนี่มันเป็นอันเดียวกันหรือคิดแล้วมันตึงเห็น พอเห็นขึ้นมาในเรื่องนิมิตอ๋อคือ น, นี่ไม่ได้คิดอะไอยู่ดีๆมันก็เกิดจริงๆมันคิดนั่นแหอ๋อนี่เลยนี่เมันละเอียดแต่ว่าจริงๆนะ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเดินกรรมาฐานอะไรอยู่ก็ให้กลับมาดูกรรมาฐานนะกลับมาดูอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะจินตนาการแล้วก็กลับมาดูเมื่อมาดูแล้วจิตมันจะสงบไปเรื่อยๆแต่มันจะสังเกตอยู่เนยว่ากรรมาฐานเริ่มไม่ค่อยอยากดู เพราะว่าไอ้นี้ไอ้ภาพนี้มันงามกว่าพอตอนเห็นเป็นเครื่องเคลื่อนตุ๊บติดมืนกันแล้วโอ้โหละเอียดอย่อสวยง <c oughs> นั่นหลนั่นน่ะมันยดไอ้ตรงนี้เป็นเครื่องวัดว่าแล้วก็บอกว่าเอาละเราเราจะไม่มานัสิการได้รื่องเลยจะกลับมาดูลมดูเลยดูลแล้วมันจะมันจะตื่นตามันทั้งทั้งที่บอกอย่างเนี้ยพอข้อเท็จจริงเนีแอบชมเลืองดูหน่อยเพราะมันก็มันงามไงแค่นั้นเองเวลา ฝึกทำฝึกทำเพรเหตุอะไรพผมมันเป็นหลายช้าหน่อยก็ไปไปขอจุ่มเลี้ยดูด้ยตรงนี้ก็ต้องระวังหึ่งมันมันมีอีกเยอะมันเป็นพื้นฐานเพียงว่าภาวะที่จิตจะเข้าสู่ความสงบมันจะสร้างจิตนาการกันตั้งแป๊บเดียวก็ขึ้นมาหดตรงนี้เขาถึงบอกว่าต้องมีกาลยานมีกอยให้ทำเรื่องนั้นแต่นั้นเราแวะชมเลย มันจะมันสวยจริงๆใ น, น, น <c oughs> มันยังมีอะไรที่มันมันมันมากกว่า น, นั้นอีกเยอนะ <c oughs> เพียงแต่ ว, ว่าในโลกของความ <c oughs> ตกแต่งก็ดีในด้านที่จะพักเข้าสู่ภาวะความสงบแห่งจิตมันยังมีอุบายวิธีอีกเยอะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ <c oughs> จริงๆมันยังมีอีกมากเอ่าโอเคเดี๋ยวลองปรึกดึก